อุปริปันนาธเวะทวทหะวัค 101, วะะหนึ่งรหนึ่งเทวทหสูตรทรงเล่าว่าทรงตอบโต้กับพวกนิครณในหลักคำสอนของพวกเขาเช่นพวกเขาเชื่อว่าสุขทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่คนได้รับในปัจจุบันเป็นผลจากการกระทาในชาติก่อนเท่านั้นทรงย้อนว่าแล้วที่พวกเขาทรมานกายต่างๆได้รับความเจ็บปวดไหม นี่ใช่การกระทำในชาติก่อนหรือไม่ตอนท้ายทรงแสดงความเพียรพยายามที่ถูกต้อง 102. ปัญจัตยสูตรทรงแสดงให้พระฟังว่าสมณพราหมางพวกมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอัตตาต่างๆซึ่งพระองค์ไม่ได้เห็นดังนั้น 103. กินติสูตร ทรงสอนพระให้สามัคคีปรองดองกันเอาใจใส่ศึกษาโพธิปัจฉิยธรรมถ้าความเห็นไม่ตรงกันในอภิธรรมก็ให้ซักซ้อมชี้แจงให้เข้าใจเป็นอย่างดีช่วยประดิษฐานกันและกันในกุศลธรรมคำว่าอภิธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอภิธรรมปิดกสำหรับเนื้อหาข้อหนึ่งรถึง126 ข้อความในเว็บไซต์หายไปนะครับ127อนุรุธทธสูตรพระอนุรุษอธิบายแก่ช่างไม้ชื่อปัญจังคะถึงความแตกต่างระหว่างอัปปะมานาเจโตวิมุตตความหลุดพ้นแห่งจิตไม่มีประมาณกับมหคตาเจโตวิมุตตความหลุดพ้นแห่งจิตที่เป็นฌาน128 อุปปกิเลสสูตรว่าด้วยอุปปกิเลสที่ทำให้ใจเศร้าหมองแห่งจิต11อดอย่างอันทำให้การเจริญสมาธิไม่ได้ผลก้าวหน้าในที่นี้กล่าวถึงฌานห้าซึ่งในที่อื่นกล่าวถึงฌานสี่เท่านั้น129ภาราละปันทิตะสูตรแสดงลักษณะของคนพาลสาคือคิดชั่ว พูดชั่วทำชั่วและลักษณะของบัณฑิตสามซึ่งตรงกันข้ามกันกล่าวถึงการลงทันในนรกแก่คนชั่วหลายวิธีด้วยหนึ่งสเทวทูตสูตรกล่าวถึงนายนิระยะบาลจับคนชั่วไปแสดงแกพยย่พยายมบาลพยายมบาลซักถามว่าเมื่อเห็นเด็กคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ว คิดบ้างไหมว่าตนเองก็จะเป็นอย่างนั้นควรไม่ประมาททำความดีทางกายวาจาใจให้มากถ้าเขาปฏิเสธก็จะทำโทษในนรกต่างๆนาน า, นาสองสูตรนี้กล่าวถึงนรกในแง่กายภาพค่อนข้างชัดในขณะที่แห่งอื่นพูดถึงนรกสวรรค์ผ่านๆเท่านั้นวิพังควัก 1นึพัทเทกรัตตสูตรสแสดงความสําคัญของปัจจุบันขณะมากกว่าอดีตและอนาคตให้อยู่ด้วยความไม่ประมาท1 3 2่งอาถึงหนึอนันทพัทเทกรัตตสูตรมหากัจจายนะพัทเทกรัตตสูตรและโลมสกังขียะพัทเทกรัตตสูตรเนื้อความเหมือนสูตรข้างต้น เป็นแต่การขยายความของพระอานนท์พระมหากัจจายนะและพระโลมสัจ ก, การคิยะเท่านั้น 135. จุลก ร, รมมวิพังคสูตรว่าด้วยคนทำกรรมแล้วได้รับผลกรรมต่างๆอายุสั้นเพราะชอบฆ่าสัตว์คี่โรคเพราะเบียดเบียนสัตว์ไม่สวยเพราะขี้โกรธ มีสักดาโน้อยเพราะริษยายากจนเพราะไม่ให้ทานเกิดในสกุลต่ำเพราะไม่อ่อนน้อมโง่เพราะไม่เข้าหาสมณะพราหมณ์หนมหากรรมวิพังคสูตรกล่าวถึงคนสี่ประเภททำความชั่วไปเกิดในอบายทำชั่วไปเกิดในสุขติ ทำดีไปเกิดในอบายทำดีไปเกิดในสุขติซึ่งผู้ไม่เข้าใจตลอดสายอาจสับสนการอธิบายควรใช้วิธีวิพัชชะคือแยกแยะไม่ใช่วิธีเอกังศิกะคือตอบแง่เดียว137ยสลายตนะนวิพังคสูตรอธิบายอายตนะหกหมวดวิญญาณหกหมวด พัทะ6โมโนปวิจาร18บสัตตบท36การตั้งสติของสัสดาสาการที่สัสดาเป็นยอดผู้ฝึกคน138อุทุเทสวิพังคสูตรตรัสอุเทศสันส้นๆว่าภิกษุควรพิจารณาโดยประการที่วิญญาณจะไม่สัด ส, สายไปภายนอกไม่ยึดมั่นถือมั่น แล้วจะไม่มีชาติชรามรณะทุกขะสมุทัยพระทั้งหลายไม่เข้าใจไปขอให้พระมหากจัจยณนะอธิบายท่านอธิบายว่าวิญญาณในที่นี้คือจิต139อารณะวิพังคสูตรแสดงทางสายกลางที่ไม่ติดอยู่ในกาลมาสุ ข, ขัลิกานุโยก คือการประกอบตนให้เพลิดเพลินในกามและอัตตากิริมฐานุโยคคือการทประมาณตนไม่พึงแสดงธรรมยกย่องหรือลุกรานคนอื่นไม่พึงส่อเสียดไม่พึงพูดเลอะเทอะพูดรีบด่วนไม่พึงติดถ้อยคำของชาวบ้านและไม่พึงข้ามบัญญัติโลกหมายถึงไม่ยึดมั่นในโวหารอย่างโลกโลกนักขณะเดียวกัน ก็ไม่ขวางโลกเสีย จ, จนพูดกับเขาไม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้เรียกว่าธรรมะที่ไม่ก่อศัตรูหนึ่งสทาตุวิพังกสูตรขณะพระพุทธเจ้าพักแรมคืนที่โรงช่างหม้อแห่งหนึ่งในแคว้นมคธปุกุษาตินักบวชหนุ่มบวชเองอุทิตพระพุทธเจ้ามาค้างอยู่ด้วย ได้ฟังเรื่องการจำแนกธาตุว่ามนุษย์มีธาตุมีอายตนะหกมโนปวิจารสิปมีธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสี่ไม่ควรปล่อยให้กิเลสเข้าไปครอบงำไม่ควรประมาทปัญญาควรรักษาสัจจะควรเจริญการละควรศึกษาความสงบปุกุสาติแน่ใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าก้มลงกราบแท่พระบาทขอบวช ตรัสสั่งให้หาบาทมาก่อนขณะที่เขาไปหาบาทถูกแม่โคหิดตายเรื่องนี้เป็นเขาให้นำมาแต่งเรื่องกามนิท ต, ตอนพบพระพุทธเจ้า141สัจจะวิพังขสูตรพระสารีบุตรแสดงอริยาศาศาสัจแก่พระทั้งหลาย ในสูตรนี้มีข้อที่น่าสนใจก็คือพระองค์ตรัสว่าพระสาวรีบุตรเป็นผู้ให้กำเนิดพระโมคลานะเป็นผู้เลี้ยงดูในทางธรรมะพระสาวรีบุตรสามารถสอนให้บรรลุโสดาปติผลพระมหาโมคลานะสามารถให้บรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไป142่14ิทักษีนาวิพังค้สูตร แสดงทักศินาคือการทำทานและความบริสุทธิ์แห่งทักศินามีข้อที่น่าสนใจคือในอนาคตนานไกลจะมีโคตรภูสงผู้มีผ้ากาสายะพันคอเป็นผู้ทุศีลมีบาปกรรมบุคคลจะถวายทานแก่โคตรภูสงทุศีลเหล่านั้นแม้กระนั้นผลทานก็ประมาณไม่ได้ ทานที่ให้เจาะจงมีผลมากสู้ให้แกส่สงไม่ได้คำว่าสงในที่นี้หมายถึงตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปข้อความนี้แสดงผลของสังคทานแม้แก่พระทูตศีลก็มีผลมากกว่าให้เจาะจงบุคคล143อาอนาถปินทิโกวาทสูตร พระสารีบุตรแสดงแก่อนาถบินธิกะเศรษฐีผู้ป่วยหนักหลายข้อส่วนใหญ่เน้นไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเศรษฐีร้องไห้เมื่อถามว่ายังติดใจอาลัยอะไ ร, อะไรตอบว่าไม่เคยได้ฟังธรรมภัยร่๊อยงี้มาก่อนแล้วขอให้พระสารีบุตรแสดงแก่เข้าเรื่หัดมากๆด้วยอย่าแสดงเฉพาะบรรพชิตเลย 144ฉันโนวาทสูตรพระชั น, นะอาพาธหนักพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ฟังไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นต่อมาพระช น, นะฆ่าตัวตายพระสารีบุตรไปกราบพูนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนนะไม่มีโทษอัตถกะถาว่าเธอบรรลุอรหัตเป็นอริยบุคคลประเภท สมะสีสี 145. ส่ห้าปุณโนวาทาสูตรพระปุณณทูลลาไปสู่ป่าปรันตะแดนที่มีคนดุร้ายมากพระพุทธองค์ทรงทดสอบเธอจะมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนเมื่อเธอยืนยันเจตนาแน่วแน่จึงทรงอนุญาตให้ไปหนึ่งนันทะโกวาทาสูตร พระนันท ก, กะได้รับพุท ธ, ธานุมัติให้สอนนางภิกษุณีได้ให้โอวาดเรื่องตรยลักษณะหนึ่งจุลราหุโลวาทสูตรสูตรนี้ทำให้พระราหุลบรรลุอรหัตเนื้อความเกี่ยวกับให้พิจารณาอายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสสชาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา 48ึ่งรสัดักกระสูรว่าด้วยธรรมะหมวดหกรวมหกข้อพร้อมทั้งให้พิจารณายกขึ้นสู่ต ร, รายักษ์พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระหกสิบรูปเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเหล่านั้นบรรลุอรหัตส 149. สลายตนะนวิพังคะสูตร ว่าด้วยจำแนกอายตนะหกอย่างพิสดารและว่าด้วยธรรมะเทียมคู่คือสมถะกับวิปัสนาธรรมะควรละคืออวิชากับภวะตัณหาธรรมะควรเจริญคือสมถะกับวิปัสนาธรรมะควรทําให้แจ้งคือวิชากับวิมุตหนึ่งหสิบ นครวินเทอยสูตรว่าด้วยสมณะพราหมณ์ที่ควรสักการะเคารพและที่ไม่ควรสักการะเคารพผู้ที่ไม่ควรสักการะเคารพคือผู้มีราคะโทสะโมหะลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ต่างจากเข้าหรหัดผู้ที่ควรสักการะเคารพมีลักษณะตรงข้าม 151. บินทปาตบาบริสุทธิ์ที่สูตรทรงชมเชยพระสาวรีบุตรผู้อยู่ด้วยสุญญาตาวิหารแล้วแสดงวิธีบินขบา ท, ที่บริสุทธิ์152อินทริยภาวนาสูตรพวกรามสอนการอบรมอินทรีย์คือฝึกควบคุมการแสดงออกโดยไม่พยายามดูไม่ฟังเป็นต้น พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดหูหนวกการอบรมอินทรีย์ที่ถูกต้องคือเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเป็นต้นให้มีสติรู้เท่าทัน